ตั้งใจทำใจของตนให้สงบพวกะถ้าเกิดมาแต่ในแต่ไรคนเรานี่ไม่ค่อยได้มีใจสงบเท่าไรหรอกสงบก็ชั่วคราวนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วมันก็คิดไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้น คนเรานะมันถึงได้หลงไหลทำความชั่วทำความผิดไปเรื่อยๆเนื่องจา ก, กว่าความคิดที่คิดไปนั้นปราศจากสติสมปัญญาหรือปราศจากธรรมวิจัยญาความสอดส่องในธรรมดังนั้นจึงเข้าใจผิดไปก็มี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 ในสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นโทษต่างๆไปข้าวใดจิตเป็นกุศลจิตประกอบได้วยเมตตาการุณาเมื่อกพูดดีทำดีไปเป็นอยู่เนี่ยจิตใจของคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้า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 บุญกุศลหนนหลังยังอำนวยผลให้อยู่ท่านันแหละถ้าหมดบุญเก่าลงไปแล้วไม่มีความสุขอะไรที่จะบังเกิดขึ้นได้เลยบุคคลผู้ที่มีจิตใจมัวมอมประมาทยิ่งแล้วใจเลยไม่สั่งสมบุญกุศลไหวในตน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 ประกอบกุศลคุณงามความดีเข้าไปผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาให้ท่านเท่าไรนักก็บำบุงศรัทธาความเชื่อในทานให้มากเข้าไปโดยลำดับเพราะว่าผู้ทําบุญกุศลมากก่อนมีความสุขมากนั่นเนผู้ใดทําบุญแต่น้อยก็ได้มีความสุขแต่น้อย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 เพราะว่าเมื่อบุคคลไม่เพียรละบาปออกจากตนแล้วเมื่อบุญเก่านี้หมดลงแล้วบาปมันก็ฉุดคล้าเอาดวงจิตวิญญาณอันนี้ไปสู่นรกอบายภูมมนี่เป็นธรรมดาอยู่ยนี่สัตว์โลกทั้งหลายนะถ้าผู้ที่รู้ตัวยอย่างนี้แล้วเว้นบาปไม่ทำบาปเลยในชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่ง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 การที่เราอาภัยให้แก่บุคคลผู้ล่วงเกินตนอย่างนี้นะนั่นแหละ ส, สอแสดงถึงจิตใจของผู้นั้นเป็นบุญเป็นกุศลมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจก็จะไม่ได้เบียดเบียนบุคคลใดและสัตว์จำพวกใดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีบาปติดตัวนนแนะให้เข้าใจเพราะอายุ สังขารที่ดวงจิตอาศัยอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีน้อยนิดเดียวหนึ่งคิดดูให้ดีไม่ทราบาจะทำบาไปบาไปทำบาปไปทาไมอ่ะในเมื่อกายวาจาทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษแต่ใจสังหากเป็นผู้รับผลของบาปรมที่กายวาจาทำพูดไปนั้นพิจารณาให้มันเข้าใจให้ดี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 เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวหรือน่าสยดสยองให้ได้อาศัยเช่นดังตำราท่านกล่าวไว้บาปกรรมแต่งรูปร่างของสัตว์รกให้ดวงจิตนี่ได้อาศัยหรือบาปกรรมไปแต่งรูปร่างของเปด็ดตัวใหญ่ทองพุย้ยหรือว่าสูงเท่าต้นตาลในตำราท่านกล่าวไว้ไอเปดนี่ไนะ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 มันก็มีแต่บาปกรรมเท่านั้นแหละ น, นําไปสนองเอาให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมีแต่บาปกรรมนั่นแหละเป็นอาหารบาปกรรมเป็นอาหารเนี่นก็มีตั้งแต่ของที่มันทําลายสังขารร่างกายนั่นแหละเป็นอาหารในบางนรกบางหลุมท่านกล่าวไว้ว่าได้แก่นรกนรกทองหม้อทองแดงคือนรกหน่วยนั้นน่ะ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 ปากปากเข้าไปเอาน้ำร้อนนั้นก็ไปทำลายตับไตไส้พุงให้เปื่อยละลายออกไปคราวนี้ก็ตายแล้ววั น, นะ น, นนี้แหละแต่นรกตัวนั้นก็ตายเอา้าเมื่อบาปกรรมยังไม่หมดก็เกิดขึ้นมาอีกต้องมาเสเวยทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นอีกก็อย่างนี้แหละบุคคลพูดสั่งสมบาปกรรม ใส่ตัวเองไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อแหละมันถึงไม่ทําตามผู้ใดเชื่อแล้วคนนั้นแหละทําตามให้เข้าใจความเชื่อนี่พระพุทธเจ้าจึงชื่อตรัสไว้ว่าสัทธาพันธติปาเทยังแปลว่าศรัทธาคือความเชื่อเป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งสเบียงคือกุศลดังนี้ นั่นเราพอเป็นความจริงเลยตามพุทธภาษิตนี้เมื่อบุคคลใดมีความเชื่อมั่นว่าทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปนักกรรมละเสียซึ่งบาปทําในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์นชนตนและผู้อื่นเข้าแทนแบบ น, นี้เมื่อตนทําบุญและวตนก็น้อมความดีนั่นเข้าไปอยู่ใน จ, ใจิตใจไม่ปล่อยให้กุศลความดีนั่นมัน คิดพุ่งสร้างเลื่อน้อยไปภายนอกบุญกุศลนี่เราต้องน้อมนะเราต้องทําความพอใจถึงมีอยู่ในจิตใจได้ถ้าบุคคลใดไม่ทําความพอใจไม่เอื้อิ่มในบุญในกุศลนี่แล้วเหมือนเฉยเสียอย่างนี้บุญก็ไม่อยู่ในจิตใจของผู้นั้นผู้นั้นก็ยังมีความทุกข์ใจอยู่เพราะไม่มีที่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 ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละนั่นแหลให้สังเกตดูบุญบาปไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอยู่ที่จิตใจคนเรานี่ต่างหากเี่แล้วเมื่อรู้อย่างนี้ทำอย่างไรบาปนี่จึงจะถอนออกไปได้ก็ต้องภาวนาเพ่งพินิษตแหละเพ่งพินิษ์เห็นว่าบาปนี่เป็นธรมรมรมอันเป็น่ายอาักขูศน นำทุกข์นำโทษมาให้แต่ก็ไม่ยังยืนเพราะเป็นธรรมรมธรรมรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมแปรปรวนดับไปทั้งที่เป็นฝ่ายกุศลหรือเป็นฝ่ายอากุศลก็าตามมันก็มีเกิดขึ้นมีแตกดับทำลายไปเป็นอยู่นั่นแหละแังนั้นผู้ที่มาเพ่งดู อารมณ์ของจิตที่ประกอบไปได้วยอกุศลอย่างว่านี่รู้แล้วก็เพ่งกําหนดใจละเพ่งกําหนดใจละอารมณ์ที่เป็นอกุศล น, นั่นเช่นความโรกรธความโกรธความหลงโมนี่แหละมันเป็นอารมณ์ของจิตให้เกิดอกุศลดังนั้นเราจึงเพ่งละความคิดเพ่งเลงไปต้องการอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นะก็จะให้มันคิดอะ นั่นเป็นทางบาปอากุศลเกลือนตนเข้าไปความคิดเมื่อเกลียดใครชังใครขึ้นมาโดยหาว่าคนผู้นั้นเบียดเบียนตนทรมานตนอะไรต่ออะไรหมดนี้นะมันยึดถืออารมณ์ที่เป็นอดีตร่วงแล้วมาเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบัน อ, อันจิตอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าจิตเป็นอคุสน มันประกอบไปด้วยโทสะพยาบาทอย่างนี้อย่าให้มันมีอยู่ในใจความคิดอย่างนี้ต้องเพ่งใจแล้วกำหนดละจนกลัวมันจะดับไปเมื่อมันยังไม่ดับเราก็ไม่หยุดเพ่งเพ่งอยู่นั่นแหละเพื่อเพ่งนานเข้าก็เป็นตป่าธรรมธรรมะอันที่เราเพ่งอยู่นี่มันก็มีเดชมีฤทธิ์มีเดช ได้แก่เมตตาธรรมการุณาธรรมนี่นะเพ่งนานๆานเข้ามันก็มีฤทธิ์มีเดชขึ้นมากำจัดความโกรธความมยาบาททั้งหลายให้ระงับดับไปจา ก, กจิตใจนี่ได้มันเป็นอย่างนั้นต้องให้เข้าใจไว้วิธีละปาปอกกุศลแม้ความโลภเราก็เพ่งสันตุถีตาม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 เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เพ่งอารมณ์เหล่านั้นละมันหายใจเข้าเราก็กำหนดละความโลภอันนั้นหายใจออกก็กำหนดใจละความโกรธหายใจเข้ากาหนดใจละความหลงหายใจออกมาก็พยายามละความโกรธสลับกันไปอยู่เนี่ยเราเพ่งลมหายใจเข้าออกไนะ ก็เพื่อที่จะกำหนดละอารมณ์ที่เป็นบาปอากุศลต่างๆนี้เองน ะ, ะส่วนบุญกุศลนั้นเมื่อบาประงับไปแล้วอย่างนี้นะจิตใจก็เบิกบานผ่องแผ้วบุญกุศลที่เราทำมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันมันก็โผล่ขึ้นมาให้จิตได้รู้ได้เห็นคือว่าการที่จิตสบายเมื่อ บ่าปกระทำมันระงับไปแล้วจิตก็เบาก็ปลอดโปร่งสบายขึ้นมานั่นแหละบุญกุศลมันเกิดต้องให้เข้าใจไเมื่อเราไม่ทําอุบายแยบคายในใจบุญกุศลจะไม่เกิดขึ้นในใจนะให้เข้าใจบุญกุศลมันเกิดขึ้นก็เพราะเรากระทาใน ใ, นใจต่างหากบุคคลผู้ทําบุญเนี่ยจริงอยู่ทําด้วยกายพูดด้วยวาจา มีจิตใจนั่นแหละเป็นผู้นำเป็นผู้บัญชาให้กายทำวาจาพูดแต่เมื่อใจบัญชากายให้วาจาทำและพูดในสิ่งที่เป็นบุญกุศลเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วใจไม่จดจ่อวันนี้นะี่ปล่อยให้อารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นมันดับไปแล้วเมื่อเป็นชนี้อารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็เกิดขึ้นแทน นี่แหละทําไม่ใจเศร้ามองขุนมัวไปกิเลสแต่ละกองเมื่อครอบงำจิตใจแล้วใจก็เศร้าหมองขุนมัวไปอย่างนี้นะเมื่อใจเศร้ามองขุนมัวแล้วก็ไม่คิดที่จะทําทบุญกุศลอะไรแล้วมีแต่มันคิดไปในทางบาปนั่นแหละใจเศร้ามองแล้วคนเอาเป็นปอย่างนั้นดังนั้นเลยให้พึ่งพากันสังเกตดูให้ดีก็เมื่อเรา ปฏิบัติให้ผ่านด่านแห่งบาปอาคุศนนี่ไปไม่ได้แล้วมันจะก้าวไปสู่สวรรค์พระนิพพานได้ยังไงเล่าแม้แต่สวรรค์ก็ไปไม่ได้อย่าว่าแต่นิพพานเลยเมื่อบุคคลละบาปไม่ได้ได้อย่างนี้จะไปสวรรค์ได้ยังไงอ่ะนี่แหละดะนั้นบุคคลจะไปสวรรค์ได้มันต้องผ่านด่านแห่งบาปอาคุศลคือความโลภโกรธหลงนี่ไปก่อน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 ผิดมิจฉ า, ชาจารกรรมทำชู้กับสามีภรรยาคงคนเอินแล้วมันก็ไม่ได้กล่าวโมสาวาดพูดเท็จพูดสอเสียดพูดคำายาดเพอเจ้อไม่ด่าไม่แช่งไม่พูดเสียดแทงให้ใครเจ็บอกเจ็บใจแล้วมันก็ไม่ต้องการที่จะไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฟินเฮโร อ, อีน อันเป็นของเสพติดให้โทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้ามันก็ไม่ไปทำบาปเหล่านี้แหละถ้าอจิตประกอบไปได้วยเมตตาการุณาเกิดขึ้นแล้วเพราะเอ็นดูทั้งตนเอ็นดูทั้งผู้อื่นก็ไม่ต้องการอยากให้ตนเป็นทุกข์เดือดร้อนนี้ไปสู่โลกหน้าก็ดีไม่ต้องการให้ตนไปตกนรกหมกไม่ไปเป็นเปรตเป็นผีอะไรต่ออะไรอยู่ เพราะไปเกิดเช่นนั้นย่อมมีแต่ทุกข์ถูกไม่มีเลยนี่เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วบุคคล น, นั้นจะไม่หล่อเลี้ยงความโลภโกรธหลงนี้ไว้ในใจเลยอะ่ภาวนาเพ่งละมันอยู่พอไานั่นมเมื่อใจเราไม่ชอบแล้วนะ่ะมันก็เพียนละเลยจะไปเอาไว้ทำไมอ่ะเหมือนอย่างของบางอย่างที่ เราไม่ชอบใจอย่างนี้นะเห็นว่ามันไ ม, มไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษถ้าขืนถือไว้อย่างเช่นว่าไปหลงจับของูเห่าอ่างนี้นะอ้าวนี่เป็นงูด้วยนี่มันมีงูมีพิษเนี่ยมันจะกัดมันจะทำลายชีวิตของตนแดดอย่างนี้นะมันก็จับซัดงูนั่นทิ้งไปไกลนู่นนะอะ่ไม่ได้เอาเข้ามาใกล้ตัวแล้ววันนี้นะ พอรู้แล้วสัตว์วิพิษมันมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนใครไปเตะต้องมันแล้วมันโกรธมันพอมันได้โอกาสมันก็กัดเอาเลยอย่างนี้นะทั้นใดบุญกุศลก็เป็นบาปกรรมทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลไปสะสมมันไว้ภายในจิตใจแล้วอย่างนี้มันก็ออกฤทธิ์เป็นข่าวข่าวเมื่อมันออกฤทธิ์มันก็ทำใจให้อาร้อน มีแต่โมโหโทโศไปอย่างนั้นแหละคนใจบาปนะอันซึ่งจะให้อภัยแก่ผู้อื่นไม่มีใครมาแตะต้องตนนิดหน่อยก็ไม่ได้ไม่ยอมให้อภัยเราจะต้องตอบโต้คืนเอาจนได้ดํริดในใจอยู่นั่นแหละเมื่อไม่ได้ตอบโต้ในปัจจุบันก็ผูกใจเก็บไว้ภายในเมื่อได้โอกาสเมื่อใดก็ แก่แค่ตอบแทนมือนั้นถ้าไม่ได้ตอบแทนในชาตินี้ก็ผูกใจเก็บไว้เกิดไปชาติหน้าขอให้ได้ตอบแทนมันนี่ท่านเรียวกว่าพยาบาดจองเวินนี่นะเราต้องเพ่งพิจรารณาโดยเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้แล้วก็เพ่งละมันเท่านั้นเนี่ยเมื่อเห็นว่ามันมีโทษแล้วจะเอามันไว้ทำไมอ่ะที่บุคคลสั่งสมไว้ก็เพราะมันไม่เห็นโทษของมันนั่นเอง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 นี่ลักษณะของบาปมันดับไปจากกิจใจใจกระเบิกบานผ่องแผ้วขึ้นมาก็ตั้งมั่นด้วยดีนั่นแหละใจที่ตั้งมั่นด้วยดีนั่นแหละมันก็เป็นโอกาสที่จะให้ได้บำเพ็ญเจริญวิปัสสนาปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในตนเพราะฉะนั้นนะอย่าไปประมาท ผู้ใดประมาทแล้วลุ่มหลงกระทำบาปกรรมมาแต่ก่อนบาปกรรมนั้นมันก็ไม่ระงับดับไปหรือมาทำาในปัจจุบันนี้ก็ดีมันก็ติดต่อย้อยตามตนไปอยู่นั่นแหละเมื่อมันได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้เป็นให้พ้นเป็นทุกข์เมื่อนั้นนี่ต้องคิดให้มันเห็นนะอย่าไปเข้าใจว่าไอบาปกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนะน เมื่อตนไม่ทำมันแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเราต้องเพ่งใจอธิษฐานใจละเว้นจริงๆอย่างนี้นะเพ่งเมื่อเมื่อบาบังงับลงไปแล้วใจมันส ง, งบลงไปได้แค่ mm. นี้เราจึงรู้ได้ว่าบามันงงับไปให้เข้าใจอย่างนี้บาปที่ทำมาแต่เมื่อรู้เรียงสามานันน่ะจนถึงปัจจุบันน่ะ มันถึงจะไม่ตามสนองในเมื่อเราละแต่แล้วเราเห็นโทษแล้วละมันแล้วแต่ก็ต้องเพียรละอยู่เรื่อยไปนะเพียรภาวนาเพ่งอธิษฐานใจละบาปกรรมนี้เรื่อยไปเช่นนั้นไม่ใช่ภาวนานั่งเฉยๆอยู่แล้วไม่คิดนึกอะไรเช่นนี้จะให้บาปกรรมมันระงับไปไม่มีทางดังนั้นแหละ เราก็พร้อมกับการเจริญวิปัสนาประกอบด้วยเท่งธาตุสี่ขันหานี้ลงให้เห็นเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาธาตุสี่ขันห้าอันบาปตกแต่งก็ดีบุญตกแต่งก็ดีล้นวนแต่มีความเกิดขึ้นแล้วแปรโฟนแตกดับไปเหมือนกันหมดส่วนที่เป็นรูปก็ดีส่วนที่เป็นนามมาทำคือความรู้สึกนึกคิดต่าง อันเป็นฝ่ายบาปก็ดีบุญก็ดีเหล่านี้มันมีความดับไปเป็นธรรมดาอา้าวเมื่อบุญดับแล้วมันจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งนี่พูดถึงคำทำขั้นสูงขึ้นไปบุญและบาปมันไม่เที่ยงมันเกิดดับอยู่อย่างนั้นแต่ว่าหมายความว่าอารมณ์ที่ทําใจให้เบิกบานผ่องใสอะ้รนั้นมันเกิดดับเกิดดับอยู่ยนั้นแหละแต่เมื่อบุคคลละ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 กุศลก็ตั้งมั่นขึ้นในใจิตใจเมื่อเราบำเพ็ญใ้มากๆเข้าไปมันก็รวมกำลังกันเข้าเป็นอริยมรรคอริยมรรคนี่แหละจะตัดสังโยชน์ให้ขาดจากจิตใจของตนของตอนให้หมดไปทั้งลากทั้งเงงาของกิเลสปปาพฤธรรมต่างๆ